ขันธยมะกะหนึ่งปั ญ, ญติวาระอุเทศหนึ่งขันห้าคือหนึ่งรูปขันกองรูปสองเวทนาขันกองเวทนาสสัญญาขันกองสัญญาสสังขารขันกองสังขาร 5. วิญญาณขันกองวิญญาณหนึ่งปัทถโสธนะวาระอนุโลมสองรูป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 รูปเป็นรูปประขันใช่ไหมขันเป็นสัญญาขันใช่ไหมรูปเป็นรูปประขันใช่ไหมขันเป็นสังขารขันใช่ไหมรูปเป็นรูปประขันใช่ไหมขันเป็นวิญญาณขันใช่ไหมหเวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหมขันเป็นรูปประขันใช่ไหมเวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหมขันเป็นสัญญาขันใช่ไหม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 สภา ว, ภาวธรร ม, our, มที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสัญญาข boom, ันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสั lugar, งขา ร, ม <13. c oughs> ารมไม่เป็น e so agen, สังขารขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรม <Halloween> <c oughs> ที่네 <proposition> ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหมสิบสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม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 สสุทธขันธวาระอนุโลมสิรูปเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นรูปใช่ไหมเวทนาเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นเวทนาใช่ไหมสัญญาเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นสัญญาใช่ไหมสังขารเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นสังขารใช่ไหมวิญญาณเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นวิญญาณใช่ไหม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 สภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสังขารใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นขันธ์ใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นวิญญาณใช่ไหมสสุทธะขันธะมูลจักรวาระอนุโลมสิบหรูปเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นเวทนาใช่ไหมรูปเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นสัญญาใช่ไหมรูปเป็นขันธ์ใช่ไหม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 สภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสัญญาใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสังขารใช่ไหมปัญญติวาระอุเทศจบ หปัญญาติวารานิเทศหนึ่งปทะสโสธเนวาระอนุโลม26อนุรูปเป็นรูปประคันใช่ไหมวิปิยรูปสาตรูปเป็นรูปแต่ไม่เป็นรูปประคันรูปประคันเป็นรูปก็ใช่เป็นรูปประคันก็ใช่ปฏิรูปประคันเป็นรูปใช่ไหมวิใช่อนุเวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหมวิ ใช่ปฏิเวทนาขันเป็นเวทนาใช่ไหมวิใช่อนุสัญญาเป็นสัญญาขันใช่ไหมวิทิฐิสัญญาเป็นสัญญาแต่ไม่เป็นสัญญาขันสัญญาขันเป็นสัญญาก็ใช่เป็นสัญญาขันก็ใช่ปฏิสัญญาขันเป็นสัญญาใช่ไหมวิใช่อนุสังขารเป็นสังขารขันใช่ไหมวิ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 อ น, นุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรู Vi, ป moms, ไม่เป็นรูปประขันใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที <t <t <t ่ไม่เป็นรูปประขันไม่เป็นรูปใช่ไหมวิปิเยรูปสาตรูปไม่เป็นรูปประขันแต่เป็นรูปเว้นรูปและรูปประขันแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นรูปก็ใช่ไม่เป็นรูปประขันก็ใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นเวทนาขันใช่ไหมวิใช่ ป, ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเวทนาขั น, นไม่เป็นเวทนาใช่ Lake, ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นสัญญาขันใช่ไหมวิใช่ปติสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสัญญาขันไม่เป็นสัญญาใช่ไหมวิทิิสัญญาไม่เป็นสัญญาขันแต่เป็นสัญญาเว้นสัญญาและสัญญาขันแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นสัญญาก็ใช่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 อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นวิญญาณขันใช่ไหมวิใช่ปติสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณขันไม่เป็นวิญญาณใช่ไหมวิใช่สองปทะโสธนะโมูลจักะวาระอนุโลม28อนุรูปเป็นรูปขันใช่ไหมวิติยรูปสาตรูปเป็นรูปแต่ไม่เป็นรูปขันรูปขันเป็นรูปก็ใช่ เป็นรู ป, ปขันก pues ah ็ใช pues ่ปฏิขันเป็นเวทนาขันใช่ไหมวิเวทนาขันเป็นขันก็ใช่เป็นเวทนาขันก็ใช่ขันท enfin> ี่เหลือเป็นขันแต่ไม่เป็นเวทนาขันอนุรูปเป็นรูปประขันใช่ไหมวิปีรูปสาตรูปเป็นรูปแต่ไม่เป็นรูปประขันรูปประขันเป็นรูปก็ใช่เป็นรูปประขันก็ใช่ปฏิขันเป็นสัญญาขันใช่ไหม วิสัญญาขันเป็นขันก็ใช่เป็นสัญญาขันก็ใช่ขันที่เหลือเป็นขันแต่ไม่เป็นสัญญาขันอนุรูปเป็นรูปประขันใช่ไหมวิปิยรูปสัตรูปเป็นรูปแต่ไม่เป็นรูปประขันรูปประขันเป็นรูปก็ใช่เป็นรูปประขันก็ใช่ปาติขันเป็นสังขารขันใช่ไหมวิสังขารขันเป็นขันก็ใช่เป็นสังขารขันก็ใช่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 เวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหมวิใช่ปฏิขันเป็นรูปขันใช่ไหมวิรูปขันเป็นขันก็ใช่เป็นรูปขันก็ใช่ขันที่เหลือเป็นขันแต่ไม่เป็นรูปขันอนุเวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหมวิใช่ปฏิขันเป็นสัญญาขันใช่ไหมวิสัญญาขันเป็นขันก็ใช่เป็นสัญญาขันก็ใช่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 ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปประขันธ์ใช่ไหมวิใช่ปติสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหมวิใช่สามอนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหมวิใช่ปฏิ ส, Omar. สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหมวิใช่ปิสภาวธรรมที <choose ocking> ส <fidelity> ส่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหมวิใช่ปติสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม วิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นเวทนาขันใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นวิญญาณขันใช่ไหมวิใช่สาอนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นสัญญาขันใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นรูปขันใช่ไหมวิใช่อนุ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 สภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหมวิใช่สาสิบเจอนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหมวิใช่ปฏิ สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่มไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหมวิใช่ปติสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม วิใช่สสุทธขันธวาระอนุโลมสาสิบแปดอนุรูปเป็นขันธใช่ไหมวิใช่ปติขันเป็นรูปขันธใช่ไหมวิรูปขันธเป็นขันธก็ใช่เป็นรูปขันธก็ใช่ขันธที่เหลือเป็นขันธแต่ไม่เป็นรูปขันธอนุเวทนาเป็นขันธใช่ไหมวิใช่ปฏิ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 Thank <laughs> you.